ทำต่อเราพยายามศึกษางั้นพระนาหุน่นมีจิตอันปกไใยในการศึกษาโอบเมล็ดชายขึ้นหอบมืหนึ่งยกท่วมหัวขึ้นไว้ศีรษะข้าวเจ้าจะตั้งใจศึกษาให้มากเท่ากับเมล็ดชาย ในกรรมือของข้าพเจ้านี้ให้มากที่สุดอย่าให้มันหลงฟรีๆเอาประโยชน์จากความหลงอย่าให้มันทุกข์มันโกรธฟรีๆให้มีประโยชน์จากความทุกข์ความโกรธได้ศึกษาดูบ้างถ้ารูปไม่เที่ยงก็ศึกษา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 ไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่เห็นไม่ได้ศึกษาอย่างนี้เห็นโลกโลกคือหมูสัตว์อันเชลานำเขาไปครอบมั่มอยู่ไม่มีใครต่อต้านไม่มเครเป็นใหญ่ ไม่ให้เจ่อมันก็เจ่บไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายนี่ความบกพ้องอยู่เป็นนิดโลคไ้นี่บกพ้องอยู่ทุกอย่างไม่แต่ความทุกข์ก็บกพร่องความโกรธก็บกพ่องความโลภก็บกพร่องความหลงก็บกพ้องไม่รู้จกอิ่มไม่รู้จกเบื่อ ความหลงไม่มีประโยชน์ก็ยังหลงอยู่ความโกรธไม่มีประโยชน์ก็ยังโกรธอยู่พอใจในความโกรธบาีความทุกข์ก็พอใจในความทุกข์จะทำอย่างไรมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วจะทำอย่างไรจะต้องยอมลองให้เสียใจหอออัวล่อจู หรือว่าเราจะไปไหนกันอ่ะตลองมาอุทิศทำตามพระพุทธเจ้าอยู่อุทิศสลนตังสามหาสามพุทธทางอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแต่ก่อนเป็นสาหมัญชนไปปุรชนทําทอย่างไรจึงได้ชื่อพุทธเจ้าจึงมาเห็นเรื่องนี้ผู้ใ ด, ดเห็นทำผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมคือเห็นอะไรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นป่ดิจจสุวะวผู้ใดเห็นป่ิจจสุวาวดผู้นั้นเชื่อเห็นธรรมพื่ออะไรแล้วก็ว่ากันอยู่เป็นพระสวดเป็นคําสอนอุทิศอรหันอุทิศอหารต่างรเจ้า จะถอดได้ธรรมะลายกู่เห็น อ, อกอเหยียดเหนอกกู้เห็นเข้าโอ้สึดมันจะเห็นอะไรเห็นหลงเท่าไหอย่าให้มันหลงสิมีสติเป็นหน้าโลกได้ไหมอย่าไปเพ่งอยู่ในความจบความทุกข์อย่าไปเพ่งอยู่ในความรู้ความรู้ใช้ได้เลย มันหลงก็รู้ไม่ได้ไปหามันหลยใช่นนว่ามีสติถ้าหลงเป็นหลงไม่มีสติในความหลงน่ะไม่มีสติมีความรู้มันมาทางใดให้รู้มีสติเป็นหน้าโลกให้เหมือนตาหน้าหน้าโลก มาถึงตาในตัวสติปัญญาไม่เหมือนตาเนื้อตาเนื้อไปทางเดียวเห็นเต่อข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นตาในมันไม่น้าโลกมันคิดก็เห็นมันสุกก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันรักมันเกียดชังก็เห็นมันพอใจมันไม่พอใจก็เห็นตาเห็นรูป ก, ก็เห็นอีก ตาหนังหิมุดได้ยินเสียงก็เห็นอีกตาหนังสมมกได้กินดิ้นได้โลดคายสัมผัสใจคิดนึกเห็นอีกที่ว่าหน้าลบให้ใช่อย่างนี้ผู้มีสติปนาลอบชื่ว่าพักขีนาศกไปเจงขนาดนั้นหรือว่าขีนาศกขีนาศกคือพระลหันถ้าหลงเป็นหลงไม่เป็นขีนาศก ทุกเป็นทุกไม่เป็นขีนาศกสุกเป็นสุกไม่เป็นชีนาศกดีใจเสียใจไม่เป็นขีนาศกขีนาศกก็เห็นไอเห็นแล้วก็ไม่เป็นไม่ว่าหน้าหน้าโลกขีนาศกคือพระอราหารันนีสติเป็นหน้าโลกไม่เผอมีสติปเป็นวิใ น, นวิใน จะหลงไม่หลงนั่นแหละวินำไปแล้วน้ำจากควาหลงไปสู่ความไม่หลงวิวิเศษนัยยะนำไปนำไปสู่ความวิเศษไม่หลงมันดีกว่าความหลงเพรามันเห็นไม่ทุกข์มันดีกว่าความทุกข์ไม่โกรธมันดีกว่าความโกรธไม่วิถวกกังวลเศร้าหมองมันดีกว่าความวิถวกกังวลเศร้าหมอง นี่รียว่าหน้าโลกไม่ขี้น้อโศกผู้มีสติเป็นวิใดวิไหนมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปแล้วหวังสํารวมเดินย่องย่องไม่ใชใ่ให้มันพ้นไปให้มันพ้นมันหลงคนเจ้าหลงมันทุกข์พนเจ้าทุกข์มันอะไรต่างๆเดีว่าศีกขาและธรรมเป็นคือเรื่องชีวิตเราได้ชีวิตเพราะเรื่องนี้ ในชีวิตคือร่างกายจิตใจอันนี้ในชีวิตแบบนี้มันเกิดเจ็บเจบตายให้กายมันใช้ให้ใจมันใช้กายมันก็ใช้ได้แต่มันใช้ให้ร้อนให้หนาวให้สุขให้ทุกข์ให้หิวให้ปวดให้เมื่อยเป็นกายกายมันใช่อย่างนั้นเกิดเจ็บเจ็บตายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่แล้วหายไปแต่กขึ้นแล้วเจ็เจ็บตายไป อันล่างกายจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่มันดีวิเศษเวลานี้อะไรมันคืชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันมีหน้ารอดแบบนี้จึงจะเรียกว่าได้ชีวิตแต่ยังเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตเห็นวันสุขวันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์นั่นคือชีวิต ตืนแต่เด็กสืบตน้นนมอวัยอย่ารอให้เท่าให้แก่รอนเจอเท่ายอมทุ ล, กออกกลทักทุเลมากเหมือนตาบอดข้างภาคฝั่งกองหงาเหมือนกันใต่ไปลําคาคำมาิริอยาแสนทุลักทุเลแล่ก้าไมาอยากให้ทุลักทุเลมากจงข้ามภาคแต่หนมหนมสอนตอนแก่มันจะจะดวกแล้วก็เห็นองอนแก่ เห็นคนเจ็บเห็นคนตายรความโกรธก็เจ็บความรักก็เจ็บเจ็บตรงนี้ ต, ตกกรรมแก่พความโกรธแก่พระความรักแก่พระความทุกข์มันก็ตายอยู่ตรงนี้เหนือซะเหนือเจ็บซะตายมันเกิดดับเกิดดาเร่องความรักก็เจ็ สมรักก็ไม่เที่ยงสมรักไม่ใช่ตัวตนิึงใดไม่เที่ยงฉะ น, นั้นไม่ใช่ตัวตนจึงใดไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนถ้าไปยึดเอาว่ารักคือเราก็เจเจ็บตายถ้านึกว่าโกรธคือเราก็เจ็บเจ็บตายถ้านึกว่าทุกข์คือเราก็เรียกว่าเจ็บเจ็บตาย เกิดมาเพื่อเจรักเพื่อเจ็บเพื่อตายโกรธเพื่อเจรเพื่อเจ็เพื่อตายดีใจเสียใจเพโภชใจโภชเจ็บโภชตายไม่รู้จะเขียดลับหมกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเอาให้มันพ้นซะจิตตแมยพ่นแล้วพ้นแล้วพนเหลวโอยพนแล้วโอยเหมือนคนชี้เสือเห็นไหมคนชี้เสือน่ะ บอกให้จานสรงถิ่นเขียนชิตตังเมให้ก็ยังไม่ได้เขียนนะชิตตังเมเป็นภาษาบาลีคนเรวยถ้าเราคีมันก็สูงกว่ามันไม่ไม่เป็นใหญ่เดี๋ยวนี้อะไรเป็นใหญ่บางทีเราก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นอย่างไรอะไรไม่เป็นใหญ่จึงพูดอยางนั้นแสดงว่าไม่ได้เป็นใหญ่ เป็นทาตของอาการต่างๆจึงมีสติเป็นหน้าลอกัดใชยให้มากฝึกสนฝึกตนสนตนเกือนตนเกล้ขยิตนจึงจะเหล่ามานุษย์เป็นจัตตเสิดถ้าหลงเป็นหลงไม่เป็นมนุษย์ถ้าหลงเป็นไม่หลงเรือ ม, มนุษย์ ถ่าทุกข์เป็นทุกข์ด้วยคนถ้าเป็นทุกข์ไม่ทุกข์พ้นจากทุกข์ด้วยมนุษย์มันประเสริฐมันมีหลงจึงพ้นจากหลงมันมีทุกข์จึงพ้นจากทุกข์มันมีเก่ีจึงพ้นจากเก่มันมีเก็บจึงพ้นจากเก็บมันมีตายจึงพ้นจากตายนี่คือมนุษย์มนุษย์โศปฏิราโภ เป็นมนุษย์เป็นราบเป็นประเสริฐถ้ามันทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ใช่ราบมีแต่เข้อเ ข, เขยนเบนไัยโกดนานหลุนนา น, น, านเป็นวิบากเป็นกรรมเป็นกิเลสหนอนขนสกบุรีโกสุกจึงติด เพราะติดจึงอยากเพราะอยาก surf, จึงโผลเพราะโผลจึงต so ิดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงโผลเพราะโผลจึงติดนั่นแหะคืเละกรรมไม่เบิก่านเท่าไรบางคนไม่โูกไม่โผลไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่โผล่เพราะไม่กโไม่เพราะไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากจบเขานั่นเอง มันหลงมันจึงพ้นหลงเพราะไม่โกรธจึงพ้นโกรธเพราะไม่ทุกข์จึงพ้นทุกข์มันเห็นแย้งจริงๆทุกหลกไม่ได้สุขหลกไม่ได้หลงหลกไม่ได้นี่มันเห็นแย้งไม่ต้องถามใครตัวไม่หลงมันชัดเจนเป็นธรรมความหลงเป็นเป็นธรรมนี่เรามาศึกษาเรื่องนี้ถ้ายังหลงอยู่ต้องศึกษาละ ถ้าย่างทุกอยู่ต้องศึกษาถ้าย่างโกรธอยู่ต้องศึกษาถ้อย่างดิใจเฉยใจหัวลราะรองให้ไม่ตกหัวนส้าหมองต้องศึกษาก็หลงย่อยออกให้มันได้แต่เนื้อ อ, อะไรที่ไม่ใช่เนื้อให้หมดไปอย่าเป็นบ้าห่อฟางเอาทุกอย่าง ก, ก็เอาทุ ก, กเอาหลงก็เอารักก็เอาเกลียดชังก็เอา คนที่เราก่อเป็นคนที่เขียนชังพระหลวงพลังถ้ามีความสุขก็ขมีความทุกข์คู่กันก็นมีความรักก็มีความเฉียดชังคู่กันโลกมันมีรสชาติแบบนั้นจอดโลกติดโลกเหมือนปลาติดเบ็ดผู้ที่มีความโกรธก็ติดความโกรธได้อะไรเอาความโกรธออกหน้าออกตา ก็ที่มีความทุกข์ก็ตีความทุกข์ได้ไดเจ็บใจออกหน้าเอาใจไปลองรับใช้ใจลองรับทุกอย่างประทุกไม่สักแต่ว่าทรไม่มีสติเป็นหน้าโลกเราเห็นโลกมันก็มากระทุกที่ใจส่งมาที่ใจมูดียินเสียงก็ส่งมาที่ใจ จมหมดได้จินส่งมาที่ใจลื่นเลยลดส่งมาที่ใจกายสัมผัสส่งมาที่ใจใจก็มีใจในใจจิตในใจิตกระทบเหมือนอวัยวะหน้าดานเหมือนตับใช่ไหมคุณหมอตับเป็นหน้าดานแนวหน้ากินเลยลงไปอารมณ์กะทบใจ กระทบตบอารมณ์กระทบตับกินเหล้าหลงไปกระทบตับกินเนื้อลงไปกระทบตับโกรธกระทบตับใช่ไหมหมอแน่นวะเวลาโกรธกระทบตับหลงตาอ่านตำลาวิตุกังวลกระทบหัวใจมันมีหัวใจไหม หม้ใจอยู่ตรงไห น, น <c oughs> ที่ตกกังวลกระทุบหม้อใจอะเครียดเครียดกระทบอะไรกระ อ, อาหารใช่ปเครียดอะกินข้าวแซ่บ๊อบรับรองกินข้าวไม่ลงอะบ่าเวอะไรหมดอะไรน้อยเนื้อจังใจกระทบ ป, ปอด ม, ม้ามนั่นน่ะเห็นมห มันมีอย่างนี้ชีวิตของเราไม่ใช่เราจะอะไรไม่ไม่ใช่โกรธเฉยๆไม่ไม่ใช่เครียดเฉยๆมีผลพ่วงไปไกลนอกจากเป็นผลกระทบต่อวัยญาว่าในร่างกายเรานี่แล้วจงไปสู่อีกเปตต่าโสัตว์ทีรไรฉานอบายภูมิใบร์ทน่ากลัวนะจะประมาท ปล่อยมันโกรธได้ยังไงตับมันมีปล่อยให้มันเทียงได้ยังไงหัวใจมันมีปล่อยให้มันเศร้าโศกวิตรกรรมมนุษยเท่าไหร่เเพราะอาหารมันมีปลอดมันมีเราต้องอาศัยถึงเหล่านี้เราจึงให้มีหน้าโลกเอาไว้ให้มันไม่เป็นอะไรปลอดภัยที่สุดไม่เป็นอะไรกับอะไร เวลาไหนไม่เป็นอะไรไม่เป็นายหัดพูดเอาไว้หัดคิดเอาไว้อะไรนี้ด่อยไม่เป็นรายเช่างความมันเป็นเช่นนั่นเองให้พูดจากนี้เปัญญาอาชวัฒนะถ้าใครยังมีเป็นคําพูดบ้างไม่เป็นลายช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเอง ได้ว่ายารักษาโลกได้ทุกอย่างอย่าอายุวัฒนะผลล่าที่หนังไม่เป็นไรลองไปสามลา่าผลลากที่สองช่างหัวมันลากที่สามมาลองไปเป็นเช่นนั่นเองแล้วแล้วกันไปแล้วไปแล้วอย่าถือสาหาเรื่องสิ่งที่แล้วก็แล้วไป อย่าออกมาคิดอันนี้ดอกผลอย่าอายวัฒนะอย่าพูดว่าไม่ยอมไม่ยอมอย่าพูดจากนั้นกูไม่ยอมถ้ากูได้โกนแลกูไม่ยอมมึงรู้จกักูโกนไหมถ้ากูได้โกนไม่ยอมแต่กูนี่มันไม่ยอมใครอันตลาย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัดไว้อย่างนี้นช่วยสติสิ่งแวดล้องสติมีเมตตากูนาลงไปทำเจึงใดคิดเชิงใดพูดเชิงใดมีเมตตากูนาเป็นเพื่อนกันไปย่อจนกุศลอย่จอยจนบุญตลาดแห่งบุญไม่เยอะแยะพยายามทานก็เป็นบุญไม่เป็นไรก็เป็นบุญ ไม่ช่วงมีเงินมีทองไปทานก็ได้จา่าคะสละอารมณ์เน่าออกจากกิจใจเป็นบุญอย่าตนันีมีไหมเอามาด้วยไหมความปวดออกมาไหมความทุกข์ออกมาไหมมีอะไรอารมณ์ข้างกับใครที่ไหนจา่าคะเลยจะเพยสัตต์ต่ัตตังหลายที่เปรียบเพื่อนทุกข์เคยเจ็บเจ็บต่อยด้วยกันทั้งหมดต้องสิ้นอย่าได้มีเวรนิเพยโตกันแล้วกันเลย ร่างบางของบาปร่างบางมันเลยไว่ได้ไปเห็นอะไรก็แพ้ไปใจมันกว้างใหญ่ไม่มีอะไรขวงกั้นแม่น้ําภูเขามหาสมุทรจะขวงกั้นความเมตตาการุณห์ห่องเราไม่ได้แต่ไปอย่างสุขสบายสิ่งมันจะยิ่งใหญ่มากอย่าคัดแคบช่องน้อย ให้มันกวางใหญ่ไ้ศาลส่วนความดีของเราที่มีชีวิตนี้เราจะใช้ชีวิตนี้ไม่มเบียดเบียนตัวเองเอาไว้เราจะใช้ชีวิตนี้ไม่มเบียดเบียนคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นได้ขาดหนึ่งละเราให้มันมีสิ่งแวดล้อมมันจะงอกงามในคุณในธรรมถ้าอย่างหวดแห้งสื่งเหล่านี้ดูดที่ลำที่ชัง มันไม่มีสิ่งแวดล้อมเหมือนปลูกข้าวในปลานหินปลูกข้าวในที่แห้งเหมือนเนื่อนามไม่มีนม้ำฝนทำไรไม่ได้ไม่มีเมล็ดพืชเมล็ดแห่งโพธิคือจตติต้องมีที่ปลูกมีเนื้อดินสัทธาความเชื่อว่าทําดีก็ดีสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เมันลอเกียนหนุนตามรอยเท่าของโคฉัน น, นั่นเห็นไหมหัวเทียมเกียนอยู่โ น, น่นนาสัตว์โลกย่อมไปไปตามกันรู้ทำกรรมดีก็ย่อมดีทมปวงชั่วย่อมชั่วตนาวะกระตังปาปังอตนาม ว, วิสุทธิยาสุธิอสุธิปัจจตตังนานยอนยางวิสโสเถรเยทุยทคนหวานพืชเช่นใดย่อมได้และผมเช่น น, นั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมรับผลชั่วเหมือนลอยเขียนหมืนตามลอยเท่าของโขฉันนั่นกรรมคือการกระทำคิดอะไรพูดอะไรทำสิ่งไหนมีกรรมไหมยังคิดชั่วไหมยังเบียดเบียนตนเองไหมยังเบียดเบียนคนอื่นไหมนั่นก็ยังมีกรรมอยู่สละออก หรือว่าทําบุญจะละอารมณ์เน่าละความชั่วทําความดีมีสติเนี่ยมันเป็นพลลังธ์ในสติมันก็ละความชั่วแล้วมีสติมันก็ทําความดีแล้วมีสติกินก็บริสุทธิ์แล้วมีสติก็รักษาเสร็จแล้วทําบุญแล้วเราไม่สตินี่เราไม่ได้คิดอะไรมีแต่ลู้รู้ มันก็เป็นบุญแล้วใจไม่เป็นไรมันโศ ก, ก็เห็นมันโศกเนี่ยมันรู้แล้วเป็นบุญแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้วฉลาดแล้วฉลาดออกจากทุกข์ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแล้วเป็นสถาบันของชีวิตเราชีวิตตรงเดือในจบ ถ้าไม่จบมันจะเป็นการบ้านเป็นภาระตัวมหลงเป็นภาระความโกรธเป็นภาระความทุกข์เป็นภาระอยู่ภาระหาเวเป็นจอกขันธาขันธ์ั้งหา้าเป็นของหนักแบกไปถือไปมาจากไหนก็แบกไปด้วยปีกายนี่ก็ยังแบกมาตัวมโกดิดที่ใดก็ยังแบกมาเป็นภาระบุคคลเลาเป็นผู้แบกของหนักพาไป การสลัดของหนักที่มัเสืยเป็นความสุขต้องมาเหยียบขนหนักขึ้นอันอื่นขึ้นมาอีกพระอริเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วจิตใจกายใจของเราไม่มีอะไรปกติไม่ได้ต่อไปมันชินไปแล้วมันชินไปแล้วชินไปแล้วถึงนิพพานนั่นให้อยู่ตรงไง มันทําได้มันทําได้บัตรที่บัตรได้ให้ผลได้แล้วยินไหม้แล้วสวดทุกวันว่าทำมันบาปวิภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วผมหลงไม่ถูกต้องผมไม่หลงถูกต้องผมทุกไม่ถูกต้องเลยผมไม่ทุกถูกต้องกว่าผมโกรธไม่ถูกต้องเลยผมไม่โกรธถูกต้องกว่า อย่าหน้าด้านอย่าดื้อกันมากเกินไปกย่าดือ้อแบบนี้ว่าปุตุชนปุตุชนผู้มืดหนาหามากไม่ซึมซับเข้าไปในหัวใจหน้าด้านในความหลงหน้าด้านด้านในความทุกข์หลงเท่าไหร่ก็ยังหน้าด้านอยู่ไม่เปราะบางไม่ เป็นรติจันอยบุคคลเหมือนบัวไทน้ำไม่มีโอกาสบรรลุธรรมนะส่วนผูดด้ใดพอมันหลงรู้หรือว่าอุคติจันโยบุคคลเหมือนบัวพ้นน้ำง่ายง่ายหลงหนึ่งครั้งอาจจะได้อาจจะดีกว่า คนอื่นหลงสองข้าง3ามข้างเห็นพระอาณาคามีบุคคลุพดเดียวภบเดียวอาณาคามีบุคคลผู้มีภบอันเดียวภพคือความละความทุกข์แป๊บเดียวเ้ยเอาแล้วหมดแล้วไม่มีอีกแล้วความทุกข์เรนั่นฉิดธิจะเลยเตปุตุชนนย กี่ภพกี่ชาติหนาในความโกรธหนาอยู่กับคนคนนั้นไม่มีภพมันเดียวเจ็ดภพร้อยภพพันภพพันชาติเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเลอเกิดเกยดชังอยู่ตรงนั้นเรียกว่าปุถุชนอาณาคารมีบุคคลหนึ่ภพเดียวแต่าอาหารหันต์ไม่มีภพภูมินี้เลยไม่เป็นอะไรกับไรแล้ว พ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วผมไม่จันท์อยู่จบแล้วจิตตื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วนาะมีอยู่อย่างนี้นะฉันจะทำหาที่ใดไปพบตรงหาที่ชีวิตเหล่านี้นั่งอยู่นี่หรือว่าตู้พระตรปิฎกมีหมดทุกอย่างมีพระสูตรมีพระอภิธรรมมีพระวิไนเรี่ว่าปิฎก ปิดดไปว่าตะ ก, กาใสของใส่อใบก็สวรก็คือกายเวทนาจิตธรรมมีลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีทอาฉีขันหน้ามีไหมอยู่ในชีวิตไม่ชีมีไหมมีลูกไหม เอามือยึดกันรู้สึกเจ็บไหมนันก็มีลูกนะนั่นก็มีเวทนาโยงกัดมันก็เจ็บไม่มีอาหารก็หิวไม่มีลูกไม่ีเวทนามันเป็นสูตรของมันอย่าไปตัวเอาเวลาโยงกัดต้องเจ็บอย่าให้ความเจ็บเป็นทุกข์เห็นมันเจ็บถูกต้องแล้วยงกัดมันเจ็บ ถ้าหลวงกัดไม่เก็บมันไม่ใช่แล้วอันตรายแล้วถ้ามันคันแล้วหน่อยมันดีแล้วจะได้เก่ากันเก่าเนี่ยมันดีนะมันดียังไงมันเอาพิษออกเอาพิษออกเพรมันไฟถูกมันเจ็บปัดออกมันเจ็บไม่เจ็บอลไรอันตรายเป็นมเหลงไปแล้วทีนั่นเป็นมะเหลงนะไม่มีอาหารเลเพราะมันหิว ถูกต้องแล้วเป็นโศตของเขาถ้าไม่หิวว่ามีอาหารนะตายแน่ๆไม่เหลืออย่าไปทุกเวลามันหิ ว, วนั้นเรียกว่าถูกต้องแล้วอะไรก็ออกมาทุกไม่ใช่อิ่มก็เป็นโสหิวก็เป็นทุกไม่ใช่มันอิม่มมันก็อิ่มเฉยๆไม่ใช่มาสุก อย่าเอามาเป็นสุขเป็นทุกสูตรนี้ให้เห็นสักแต่ว่ากายจากแต่ว่าเวทนาจากแต่ว่าจิตจากแต่ว่าธรรมมันจึงจะจบสูตรหรือว่าสถาบันมันจบจบแล้วสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปถึงตั้งชื่อนี่ว่าสถาบันเลยทีเดียวสถาบันสติ เรียนให้มันจบซะสูตรเนี่ยอย่าให้เป็นการบ้านอย่าให้เป็นภาร ะ, ะต่อไปจะได้แจกของส่งตะเกียงช่วยกันประเทศไทยชาติไทยดีดีเมืองไทยเนะี่ยไม่มีประเทศไห น, นดีเท่าเมืองไทยอย่าทะลบว่ากันเลยเห็นคุณค่าของประเทศไทยหลวงตาเห็นคุณค่า เวลาเราเจ็บแค่ต้ป่วยเห็นหมอเห็นพระบาทมันเทพธิดาเทพททประภูตชาวชนทุกคนช่วยเราประเทศไทยทุกคนเสียภาษีอากรให้รัฐบาลรัฐบาลเอาเงินเสียภาษีของพวกเราไปซื้อยามาให้มารักษาเราหางไหนเนี่ยมันก็ ผู้ที่ไม่ได้รักษาหานก็เป็นคนไทยไม่รู้ว่าใครจำไม่ได้ไม่เห็นไปยืนเกาะกระจกหน้ากระจกนอกห้องก็หน่อที่หลงตาอยู่ห้องไอซียูตายไปแล้วหายใช้ไม่ได้เง็บเง็บอยู่เห็นยืนเกาะกระจกน้าตาร่วงเป็นแถวแถว ลนตาก็ยังสงสารเขาโอ้ยมาลองให้กับคนไม่มีทุกข์ยังไงเนอะมนสนุก ป, ป่วยหายใจไม่ได้ก็สนุกไม่เห็นไม่ทุกข์ตรงน้อยพูดก็พูดไม่ได้แล้วขอประกามาเขียนญาติโยมที่ยืนอยู่ก็จกข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วงหลวงตาหลวงตามีชีวิตเป็นส่วนตัวมากที่สุด ไม่เห็นทุกคนเลยไม่เดือดร้อนตรงไหนพากันกลับบ้านได้ให้อายพักอานอ็เอากระดาษเอาไว้น้ําหลายผูมปากให้หลานสองคนไปยืนเอาผ้าช็ดกระดาษเช็ดชู้เช็ดน้ำลายฮเวลาคนหายใจไม่ได้ใช่ไหมปากมันมีน้ํำลายเป็นพองตูดตด <c oughs> สนุกสนุกนะ เขียนออกไปก็ยังไม่หนียังยืนลงให้กันอยู่อย่างคนไทยเราก็ไม่อยากให้เราตายก็มีคนอยากให้ตายก็มีเจ้าหัวหมันสร้างหัวหมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คนไทยอ้าวอ๋อแปลกมาจากสารัตทราบ่าหลวงพ่อป่วยเป็นก้อนเนื้อในตับยังไม่มียารักษาเลย อามาอ่านหมอกระพริบค น, คนอ่านแล้วก็นอนหายใจแย่แย่ยอมหมอก็เยือนฮะยังไม่มียารักษาเลยเป็นยังไงแล้วก็รู้แล้วโรคหวังอย่างรักษาได้โรคหวังอย่างรักษาไม่ได้ตายแค่ไหนแล้วพ่อเราก็ตายแล้วไม่เราก็ตายแล้วพระเจ้าก็นิพพานไปแล้ว หลวงพ่อเทียนก็ตายไปแล้วหลวงพ่อเจรันก็ตายไปแล้วเรากำลังเข้าชิวกันพอดีไม่เห็นกลัวอะไรหมออยู่นี่ก็เห็นฟางนั่นแรกมาหมอที่นี่ก็แฝกไปว่าโรค ก, ก้อนเนื้อในตับบอ่อนมันเกิดจากพ่อเนื้อโตเร็วในลำคอต่อมน้ำเหลืองไปสู่ตับ อ่านั่งก็แปลกไม่ทันทีเออถ้าอยังงั้นรักษาได้จิตจีโมให้หลงพ่อโดยด่วนให้หลงพ่อได้หายใจได้เออพเจ้าปฏิปเสธวิธีการรักษาเงินใดทั้งสิน้นนอกจากให้จีโมตกลงโอ้โก็ดอนให้ยังขอเขียนัเสียงอ่ะเขียนมาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย ตายก็ไม่เป็นไรหายก็ไม่เป็นไรแล้วแต่วิสุทก็ลอดมาได้ <c oughs> นี่คือคนไทยประเทศไทยประเทศไทยเป็น อ, อย่างนี้ไม่ชาติศาสนาเห็นคนฆ่าของศาสนาเนี่ยอะพุทธเจ้าสอนให้ลูกเรื่องนี้เจ็บไม่เป็นทุกข์จริงๆตายไม่เป็นทุกข์จริงๆไม่มีทุกข์นะ หน่อยเท่าไมันทุกข์ไม่ทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ทุกขนะ์นะมีปวดตับปวดท้องเนาะสุดยอดห้อยใจไม่ได้สุดยอดเลยไม่ทุกข์นะมันมีอยู่จริงๆคือว่าไม่ทุกข์ชาตนา้าเนี่ยโอ๊ยก็หมายคิดถึงคนถ้าคนโลไม่รู้เรื่องนี้จะทนะําไงเนี่ยยังเป็นห่วง เป็นหวงคนที่ยืนกากระจกนอนน้ำตาไหลอยู่เราเห็นทุกทุกน้อยเราต้องบอกเขาเชื่อต้องสอนกรรมฐ า, านสอนยังไงเราจะหายใจตายอยู่แล้วเราต้องไม่ตาย